คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Innovation for Life ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ Innovation for Life ค่ะพบ ก, กับดิฉันกุลกันนิททองเงาค่ะที่ F&M 8ัตตานี9เฉลี้กคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต Innovation for Life ในสัปดาห์นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระชังปลาอัจฉริยะนะคะกระชังปลาอัจฉริยะซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหากระมงน้ำจืดค่ะเป็นผลงานของอาจารย์ผู้ช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวิไลรัตค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําสา ข, ขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราจะพูดคุยรายละเอียดการเกี่ยวกับที่มากระบวนการพัฒนารวมถึงประโยชน์ของการใช้งานกระชังปลาอัจฉริยะนี้นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวิไลรัตกันค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวิรัยรัตน์ค่ะเข้าสู่การพูดคุยในรายการ Innovation for Life ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับผลงานนวัตรกรรมที่มีชื่อว่ากระชังปลาอัจฉริยะในการช่วยกันแก้ปัญหาประมงน้ำาสื่อนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ก่อนเกี่ยวกับแนวความคิดหรือว่าไอเดีย ที่มาของการเริ่มต้นการคิดค้นนวัตกรรมกระชังกลาอัจฉริยะนี้ค่ะว่าอาจารย์ได้แนวความคิดหรือว่าไอเดียมาจากที่ไหนอย่างไรคะก็จริงๆแล้วก็คือมีนักศึกษาปี4ี่ครับเขาเอ่อมาหาผมเป็นศิษา์ตดปีสีแล้วก็ก็พยายังคิดกานว่าจะทำอะไรให้มี i m p a c คคือแบบว่าเกษตรกรเกษตรกรได้รับประโยชน์ครับก็เลยเม็โจกันนี่พอดีบ้านเขาอยู่กำแพงเพชรเขามี ชามังที่เลี้ยปลาปิดดินแม่น้ํานะครับก็เลยคิดถามข้อมูล ม, มาว่าปลามันก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นแบบเอางทีแม่น้ําขึ้นลงระดับน้ํานะครับมีการเปลี่ยนแปลงปลาก็นอกน้ำได้ค่าทีเอชมีการเปลี่ยนแปลงค่าความความความขุ่นพวกเนี้ยผมก็เลยเออทาไมเราไม่ทําระบบเนี้ยเข้ามาเป็นแบบเซนเซอร์บางอย่างแล้วส่งให้สมาร์ทโฟนแล้วแจ้งให้ชาวป่ากระชังปลาที่เขาเลี้ยปลาเนี้ยรับทราบเพื่อแจ้งเตื่อนภัยนีคืที่มาที่ไปครับ ประมาณเนี้ยครับค่ะอืก็คือเป็นถ้าสรุปก็คือก็เป็นโปรเจกต์ของของนักศึกษาใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็บเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะเรียนสําเร็จในระดับเรียญตรีหรือป่ะคะใช่ครับใช่ครับเป็นโปรเจกต์ของภานวิชาเรื่องไฟฟ้าครับวันนี้ก็ไม่ได้มีผมอยูคนเดียวครับมีอาจารย์พ่ต้ศักดิ์ชัยด้วยครับกับชาแนลนักศึกษาวันนี้เป็นนักศัลกรวมนะแต่ผมเป็นเมนอันเดอร์เยแล้วก็มีนักศึกษาอยู่สามคน มีนายลักษณะฟักน้านายปัญจวิทย์นะครับแล้วก็นายนักตะงครับเป็นเป็นนักษานที่จะต้องตอบโจทย์โค้ดเหอนี้แล้วก็โชคดีอืมค่ะแล้วก็โชคดีตรงที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยครับก็ก็พอพอพอพอพอได้ได้ไอเดียปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามเออไปหาเออโจทย์ตรงเนี้ยให้ใกล้ใกล้ที่ใกล้เคียงซึ่งไปหาให้แถวซอยยาเนี่ยก็ใกล้ใกนะครับ เพื่อจะเช็คคุณภาพน้ำและก็ที่ก็มีปลากระทงังจริงนะครับก็แล้วก็ไปที่สมุทรสงครามด้วยนะครับที่แถวมหาชัยครับแล้วได้รับความร่วมมือกับทางเจ้าของฟาร์มให้เข้าไปเช็คขบให้ด้วยตอนที่เราเคสครับค่ะอาจารย์ขาแต่ก่อนอื่นที่จะสอบถามว่าเอ้ ก, กระชังปลาอาจัจฉริยะเป็นยังไงขออนุญาตให้อาจารย์ได้ลองลองเออ่ได้พูดถึงกระชังปลาที่เขามีอยู่ปัจจุบันก่อนมาถึงที่อาจารย์จะพัฒนาได้ไหมคะ ว่ามันมันต่างหรือว่ามันเป็นยังไงคะ่ะคือการเลี้ยงกระชังปลาน้ําจืดเนี่ยครับจริงๆก็มีการเลี้ยงในระบบปิดนะครับแล้วก็ระบบที่แบบว่าใช้แม่น้ําธรรมชาตินะครับก็คือเราเลี้ยงข้ามแม่น้ําเลยซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเราใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าส่วนของเราคือเลือกกระชังที่ติดแม่น้ําเพราะว่ามันมีพารามิเตอร์บางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นระดับน้ําที่ขึ้นลงตามที่าทากงกรมสนับตาเขาปล่อย แต่าเช่นปลาทับทิมนะครับเพราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงนะครับอันน้ำระดับน้ําเปลี่ยนแปลงไ้มากเพราะก็โตไม่ไม่เต็มที่หรือเรื่องความขุ่นของน้ําเอ่ยเรื่องค่าพีเอนะครับพวกนี้ยเราก็เอาอมาคิดอประเมินผลว่าส่งส่งข้อเสนมาให้ทางบูถือบบกับผู้เลงปากสังได้แก้ไขทนะันคือระบบนาาเนี้ยที่เรียกว่าอัจฉริยะนี่คือมันมันมันแจ้งเตือนนะฮะมันไม่ไดแ้แก้ปัญหานะครับก็คือพอแจเตือนพวกนี้เราจำพอมีเวลา เมือในเวลาที่ไปทําอะไรกับปลาเช่นย้ายไปหรืเปลี่ยนแปลงเพิ่มออกซิเจนไปด้วยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวประมงต้องคอยเฝ้สังเกตตลอดเวลานครับคือระบบนี้คือมันโนติมาที่มือถือเลยมันก็จะเออเรียลไทม์มันก็หับหนึ่งนะครับเพราะนั้นจะท<ฆ>ําให้ชาวกระชังปลาเขามีเวลาไปทำอินได้เยอะนะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าประชังตลอดนะครับน<ฆ>ี่นเป็นข้อดีอย่างน่งพค่ะอาจารย์หาแล้วในกระบวนการในการพัฒนากระชังปลาอัจฉริยเนี้ค่ะ อาจารย์พอจะเล่าได้ไดไหมคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างและอะไรที่เป็นเป็นส่วนสําคัญที่สุดอะค่ะครับจริงๆต้นทุนก็ไม่เยอะนะครับคือเราเราเขียนโครงกาเ น, นี้ยไปเสนอทุนที่เน็กเทคนะครับเป็นเป็นโครงการวิจัยขอ ง, งนักศึษาระ บ, บปริญก็ได้เงินมาเขาก็แบ่งเป็นสองล้นะครับต้เขียนเพราะว่าโต้ก่อนเขียนลักษณะว่าอานําเสนอโครงการว่าจะให้โครงการนี้น่าทำไหมก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งสี่พัน แล้วเด็กก็มาทําทําแล้วก็ส่งไปรอบ2องต่องค่อให้6กพันซึ่งเครื่องนีจะประกอบไปด้วยจริงเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเราซื้อซื้อได้ครับร้านต่างบ้านนอกทั่วไปครับเราก็ใช้ตัวมิโครคอนโทรเลอร์ได้ง่ายอย่าง Arduino นะครับเซนเซอร์ที่มีขาอยอตามท้องตลาดเซนเซอร์วัดระดับน้ําเซ็นเซอร์วัด pH นะครับแต่ส่วทนที่เป็นหัวใจ g ริตัวที่เป็นเวัดค่าออกซิเจนในน้ําค่า DO นะครับซึ่งตรงนี้มันแพงมาก แต่ปเจกต์นี้ได้ใช้ที่ ว, วัดกาวัดเซนเซอร์สามสอย่างมาแล้วก็คิดเชิงเก็บที่สังอ้อมเป็นพวกปะกัาทาวดิแล้วก็เอามาคาลิเบรตแล้วก็ได้ค่าไ้ค่าค่าใกล้เคียงกับที่ เ, เครื่องมาตรฐานหนึ่นี่เป็นข้อเด่นของเครื่องนี้เพราะว่าเป็นออคเซนนาร์นี่สําคัญมากนะฮะก็คือเราเราแทนเจ้าซื้อเครื่เป็นหนึ่งเนี่ยเราใช้เครื่อง เ, องเอซนเซอร์ตัวนี้สี่พันแล้วเราก็มาเขียนโปรแกรมเขียนโค้ด ผ, ผ่านอัลลิโมโ่เนี่ยครับโปรแกรมตัวกนี้ยแล้วมันก็มา ว, าวิเคราะห์ แล้วเราไปตับเทียบกับตัวเครื่องมือแพงๆที่เรายินจากภาคเคมีเนี่ยเวลาเราไปที่สารยาที่กระจังตาแถวฟอมอสบัตหรือแถวที่เอสมดเอสงครามเนี่ยเราก็ไปเ็บทียบเทียบละคาดีเบทมันก็ได้ดีเหมือนกันกับไชเทียงอันนี้ต้องขอบคุณเล็กๆด้วยครับที่เขาให้เงินคนนี้มาค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเทียบกับกระจังตาทั่วไปสิ่งที่มีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างนะคะหรือว่ามีสิ่งที่เพิ่มเติมสําหรับ กระชังปลาที่การพัฒนาขึ้น่มีการต่างเยอะไหมคะแล้วอะไรบ้างนะคะที่มีความต่างที่ชัดเจนนะคะคือแต่ต่างที่ชัดเจนคือว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบกระชังปลาที่เลี้ยงติดอินน้ำแม่น้ําเนี่ยครับหรือหลติดติดคลองหรือไม่กระชังปลาทเข้าขุดบ่อเป็นระบบปิดนะครับชาวประมงเนี่ยเขาต้องไปสังเกตเองนะครับว่าจะปลามันดับฟุ้อากาศอย่างนี้แสดงว่าออกซิเจนไม่พอเขาต้องไปเปิดปั๊มเองนะครับแต่ของเราเนี่ยคือว่า ข้อ ต, ต่างข้อนึงคือถ้าปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยเนี่ยครับระบบเนี่ยจะส่งค่าไปเดินปั๊มเองนะฝัดปั๊มออกซิเจนเองเลยเนื่องาวนั้นชาวชั่วมงไม่ต้องที่จะไปคอยเปิดเครื่องหรือคอยสังเกตบ่อว่าเออตามันกาลังหายใจไม่ทันอะไรประมาณนี้และค่า psh 5เติมไปเนี่ยถ้าวมงต้องใช้ความเชื่อทานส่วนตัวในการดูนะครับซึ่งตาแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันเราแต่ของเราในตอนนี้เราเป้าหมายคือใช้ตาทับถิมเพราะนั้นเราก็าไปคาลิเบตค่าต่างตจาก ของจริงที่คนเี้ยงปาทักทิมแล้วก็ถามเขาว่าค่าพิเคตตรงไหนที่ปลามันชอบอยู่ได้ถ้าเอาเป็นขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็มาปรับซึ่งตรงนี้ไปข้อแตกต่างคือเราไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวมันไปนั่งเฝ้าเราใช้ระบบเหมือนกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมันจำค่าดีดีไว้แล้วก็ส่งเตือนถ้ามั น, นผิดพลาดด้านเองก็อย่างที่อาจ อ, อ, อ, อ, อก็เห็นข้อดีชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการในการเลี้ปากอชาชังเนี่ยก็สามารถไปทําอะไรอย่างอือ่นได้แล้วก็มาเช็คค่าคแต่ทีนี้อยากจะขอถามอาจารย์อีกอี ก, อ ก, อกนิดนึงนะคะคเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของระบบที่ทเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยถ้าจะแยกเป็นส่วนหรือจะพูดออกมาก็คือมันจะเป็นในส่วนของการการพัฒนาเรียกว่าตัวเทนเซอร์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็สร้างโปรตระบบโปรแกรมตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับคือเซนเซอร์มันมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีเซนเซอร์บางตัวที่เป็นตัววัดออกซิเจนเนี่ยเราเราเราเราสร้างขึ้นมาเลครับใช้ปะทางพอมอันนี้เป็นข้อดีคือแต่เซ็นเซอร์พวกพ h เอชเนี่ยเราไม่ได้สร้างนะครับมันมีอยู่แล้วหรือเซนเซอร์วัดระดับน้าเนี่ยเราก็ออกแบบวงจรไว้มันก็มีวัดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ฉลาดก็คือว่าเราเอาสามสี่ห้าพวกนี้ภาคความขุ่นเราก็ไปปรับเอาเอาเซ็นเซอร์บางอย่างไปจิ้เช่นวัดความเอ่อความขุ่นความมีโลหะเสื่อปนเนี่ยแล้วเราไปคํานวณในโปรแกรม แล้วก็ออกมาเป็นค่าที่เหมาะสมได้ซึ่งถ้าไปซื้อเซ็นเซอร์จริงๆจบแพงกว่านี้ครับที่บอทอกฟิเชนต์จริงๆจะแพงมากนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ฉันสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอเคติดตั้งระบบเรียบต้อยละกระชังเรียบต้อยแล้วเวลาเราจะอ่านค่าหรือว่าจะใช้งานจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะคือเด็กเขาเขียนโค้ดเนี่ยครับผ่านทางไลน์ครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าภาษาไทยง่ายๆเลยสามารถที่จะมีวันเดือน เบอร์ปีเล็กขอดพอดกราฟก็ได้แล้วโนติกคือแจ้งมาเรียลไทม์ทุกๆการที่ตั้งของโปรแกรมเช่นทุกๆชั่วโมงก็ส่งค่ามาว่าเออน้ําน้ําขึ้นแล้วน้ําลงแล้วเออออคิเซนเป็นแบบนี้คือเครื่องมันจะทำเล็กขอดแล้วเป็นดัตต้าล็อกนะครับก็คือเก็บ Data ้าเด้่อยอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะที่เป็นขอดของข้อมูลของปริมาณน้ำออกซิเจนความเป็นกดดันได้เป็นเป็นลายลายรางวันลายชั่วโมงตรงเนี้ยเป็นข้อดีที่ ไม่ต้องให้ขับมระบอกมันั่งเฝ้าอืมค่ะแล้วก็อ่านตไปได้ด้วยจากจากจากลายได้ครับใช่ไหมคะอ่านจากรายเลยครับอ่ากรายเลยนะฮะก็คือเขียมันมีมันมีมันมีแอปหน้าครสมัยนี้คือเขียนแอปนิยมจากลายให้โนมติมาก็โอเคครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนาประชามประชะอะไรคือบอกว่าส่วนยากสุดเลยอะคะอาจารย์ ผมว่าส่วนยากสุดเนี่ยก็คือส่วนที่ปรับค่าออกซิเจนเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เซนเซอร์ออกซิเจนที่มันแพงมากเป็นประมาณ 10, เกือบหมื่นนะครเราใช้เอการเอาค่าทีเอกับค่าความกุญญ์เนี่ยมาคาลิเบทสร้างสมการบางอย่างอัดเข้าไปในโปรแกรมนะครับแกสมการเข็ยนโค้ดซิ่งไปแล้วก็ไอ้ไอสมการที่เราหามาได้เนี่ยมันก็ไปแปลผนมาเป็นค่าออกซิเจนซึ่งรู้ว่าถูกไม่ถู ก, มถกแม่นยํายังไงเนี่ยเราก็ได้สมการนี้มาปุ๊บเนี่ยเรา เอาไปเทียบกับเครื่องที่ภาคคีมีของวิศวะไม่ให้โดนนะครับเรายมืมเข้ามาซึ้งตัวมาณสองสมหมื่นเราก็มาจิ้มเทียบก<ม>ับค่าของเรา<ม>ตรงเนี้ยเป็นเป็นขั้นตอนที่เป็นทางวิศวกรรมหน่อยก็ใช้ได้พอปรับพปรับได้ปุ๊บเราก็มั่นใจลักโคดเราใช้ได้โปรแกรมเราใช้ไ ด, เได้เราก็ไม่ต้องซื้อไอ้เครื่องดีโอละเครื่องไอ้ดิสโทออฟเจนที่เป็นค่าวที่มาท้องขึง้นในน้ำที่สําคัญตรงนี้แพนนงนอกนั้นก็ก็มไม่ได้ยากอะไรครับลักโค้ดนี่ก็พวกเน็ตพายเรามีมีค่าตัวหนึ่งคือ เราเอาข้อมูลเนี่ยขึ้นค้าเซอร์วิสที่ชื่อว่าเนา็ตพาอันนี้เป็นค้าเซอร์วิสที่ทางเน็ตพายเมีอยู่แล้วครับเพราะนั้นข้อมูลเราเอาไปข่าวด้วยเก็บข้อมูลไว้มันก็เป็นทําให้เราสามารถที่เป็นธมาราร์มจริงจริงทีตอนนี้เกษตรกรควรจะเก็บขอ้ขอมูลในการทําของแอบประกอบการของตัวเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็วางแผนว่าจะเปิดเปิดเป็ น, เ ป, นเป็นเว็บไซต์มาแล้วให้เอลูกค้าเข้ามาดูเลยว่าปลาตนวนี้จะสั่งซื้อได้เมื่อไหร่ ยัไปกี่วันออเดอร์ได้เลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับคุณจอ น, น, นค่ะอือค่ะอาจารย์คะแล้วตัวนวัตกรรมนี้ได้ทดลองใช้งานจริงๆริงหรื อ, อย่างคาแล้วผลเป็นยไงบ้างคือจริงๆริงจะเป็นแค่ต้นแบบ น, นะผู้โดยส่งเพราะว่าเออตอนทํามาเนี่ยทดลองใช้ได้ตามองที่บางคนทีเนี่ยเขาก็เอ็กเซอยู่แต่ว่ามันยัง<ม>เออไม่ค่อยเรียบร้อยนักนะครับคือตอนนี้นผมว่ามีแผนที่ว่าจะจบ อนุพิธีบัตรอย่เหมือนกันนะครับก็คืออยากจะพัฒนาต่อไปให้มันดีอย่างนี้หน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็เบรกอยู่ระดับนี้่ครับก็คือยังไม่ไม่เรียบร้อยนักนะครับผลงานที่เป็นตัตั้ทยอยู่เป็นต้นแบบ น, นะครับซึ่ง <c oughs> ต, ต้นทุนขอมานไม่ไม่เกินหมื่นก็วนก่อนที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะเป็นเมีรีนะครับแนวหน้านะ่ก็มีคนสนใจโทรมาครับเขชาชวนไปที่อำเภอหรือตำบล บ, บางตะเกงตรงสมุทรสงครามจะให้ไปปรับสภาครับพิมพ์ก็ก็สนใจมากเหมือนกันก็ เราก็เออทำทำแล้วโปรเจกต์เด็กมีคนมาสนใจทำก็ขยายต่อนานารุน ส, สองต่อไปว่าถ้ามัเนเวิร์คเต็มทีเลยครับครับค่ะเพราะว่าก็อาจารย์ถามอาจารย์อยู่ว่าอในส่วนของการพัฒนาต่อยอดเพราะว่าในส่วนของอาจารย์บอกว่ายังมีหลายจุดที่ที่ยังยังไม่โอเคก็อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในรุ่นสองเนี่ยจะมีเวอร์ชันสองต่อใช่ไหมคะแล้วอะไรที่อาจารย์คิดไว้ว่าจะพัฒนาต่อยอดอะคะ เพราะว่าตอนตอนที like, ่ไปถามชาวประมงเขาบอกเขาอยากให้ม <pause> ันนอกจากวัดค <savvy NAT> ุณภาพน้ําที่เลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเขาอยากให้มันสร้างเครื่องเอให้หารปลาสัตโนมัติด้วยแล้วก็พาผมมันดูวิธีการป้อนอาหารว่าปลากระปลากระพงเนี่ยมันต้องป้อนอย่างเงี้ยมันมันเมื่อยมันเหนื่อยสักสิบห้าอาทิตย์สิบวัถ้ามีเครื่องยิงแบบเป็นมอเตอร์สีหรือลมเป่าพุทธพุทธไปแล้วก็มีอะไรเพื่อดูว่าปลามาปุกบไหมอะไรเงี้ยเขาจะได้เอาเวลาพนันอื่นต้องต้อ้องถามถึงวลาเหนื่อยเขา แล้วผมจะรวมระบบเซนเซอร์น้ําคุณภาพน้ําระบบป้อนอาหารแล้วก็คงจะโนติผ่านไลน์ดูดูปาผ่านม้องกล้องเว็บแอนที่ผมคิดนะฮะนี่รอบสองตอนนี้ก็มีเหตุกรณ์แล้วครับรุ่นสองก็คิดว่าจะถ้าตรงนี้จะทําให้เป็นยูนิตที่สมบูรณ์แล้วก็คิดว่าอาจจะวิ่งไปทางเชิงพาณิชย์ทางานิดเลยเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยโครงงานนี้ก็เป็นประกวดที่ที่งานว YITC นะครับได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้โครงการต่อยอดเหมือนกันนะก็ได้รางวัลที่สนะครับอืม เรา ไ, ได้อย ง, องานางานไม่คเลยก็เลยเลยไม่ค่อยได้ไม่ได้ที่หนึ่งครับพวกงานยังเป็นเป็นปยยต้อค่ะเรวอชนันค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องบอกว่าแค่แค่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าปล่อยแบบเิร์ฟก่อนปล่อยเหมือนทีเซอร์ภาพยนตร์ออกไปก่อนแกงฟา้าจริย่ อ, อาจารย์ก็ได้รับฟีดแบ็มาค่อนข้างเยอะเนี่ยมีผู้ประกอบการมหาจางเราก็โอ้โหพาไปดูสถานที่จริงเพื่อจะต่อยอดอาจารย์รู้สึกงไงบ้างโอ้โหตั้งแต่ทงานมาอันนี้งานโปรเจกต์นี้ก็ประมาณตีหนึ่งไหคะอาจารย์ ผมก็งงๆเหมือนกันแต่ว่ก็ดีครับเพราะตอนนี้ทางคณะวิศวะที่มาให้ดนเนี่ยโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยครับพยายามทําโปรเจกต์ที่ต้องมีอิมแพคไม่ใช่ทำแบบงานวิจัยชึ้นๆเพื่อไปตอบอโจทย์รัฐบาล 4.0 ด้วยหลายโปรเจกต์ไม่ใองผมคนเดียวผมมีโปรเจกต์ตั้งสี่ห้าอันซึ่งคนก็้ามาดูอยู่แต่ว่าก็คือที่ผ่านฐานานเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเราก็ทํางานแล้วก็ให้เด็กเๆไปไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าต่อไปนี้ต้องคิดแล้วว่า ทำแล้วก็ผู้ที่รับผลตอบแทนเช่นกับเกษตรกรดีใครได้รับผลประโยชน์มีทางทางการแพทย์ของก็มีโปรเจกต์เซ็นเาอร์ช่วยการภาพบําบัดอะไรเงี้ยครับเรื่งกับเรื <c oughs> ่องสัตว์กีฬาคือตรงเนี้ยมันลดต้นทุนของประเทศได้เยอะในการอินพอร์ตของเข้ามานะซึ่งคนไทยทําได้ครับคณะนิติศักตร์ก็ทําได้ครับนะ ค่ะคนไทยทําได้วัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ได้สั่งนําเข้าจากที่ไหนอย่างที่อาจารย์บอกคือไปซื้อแถวแถวที่มันมีอย่างที่บ้านมออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับตัวกรงประกอบอืมค่ะดีคนไทยทำเองคิดเองครับใช่ครับค่ะค่ะก็ก็จะติดตามผลงานของอาจารย์ต่อไปทีนี้อยากให้อาจารย์ย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะว่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์หรือว่ากระบวนการการผลิตจนถึง ประโยชน์การใช้งานอยากให้อา จ, จารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับกระชังตาอภิริยาค่ะคือวัดสดุการใช้งานเนี่ยครับเราก็ใช้ระบบอิเนกทอร์เน็ตงา่ายๆเซ็นเซอร์ที่ที่มีขายทั่วไปแถวบ้านนอกครับมาประกอบวงจรด้วยความรู้ที่มีแล้วก็เอ่อการโปรแกรมมี่ที่ที่นักศึกษาหรือใครหลายคนนิดพอทําเป็นอยู่บ้างแล้วก็มาหาแอป F B B ผ่านทางไลน์นะครับซึ่งเอาไปจะใช้ได้จริงนะครับก็คือถ้าเรารู้โจทย์ว่าเกษตรกรต้องการวัดอะไรยังไงผมเชื่อว่า เด็กไทยทุกคนทําได้หมดนะครับเพราะอาจารย์ทุกคนก็อยากจะให้พวกเราโน่มน้าวเป็นนิสสวาแค่เป็น น, นุ่มหน้าอยากให้จบไปเป็นผู้ประกอบการอยากให้คิดให้แบบเป็นเชิงบวกเป็น SME เป็นสตาร์ทอัพนี่อะไรเนี่ยผมดีใจมากที่มีคนมาสนใจนะครับแล้วก็อยากทยายามคิดโปรเจกต์ทานองนี้เยอะๆนะครับใครมีโจทย์อะไรก็เรามาป ร, รึก ษ, ษาที่ภาพไฟฟ้าไม่ดนได้นะครับเผื่อจะนั่งช่วยกันแก้ปัญหาให้ท่านนะครับ อืมค่ะเราต้องบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วแล้วต้องถามว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในกระบวนการของการประดิษฐ์คิดค้ น, คนหรือว่าการใช้งานหรือการต่อยอดออาจารย์พอจะมีช่องทางแนะนำไหมคะว่าเออจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงหรือเข้ามาพบพูดคุยหรือว่ามาจัดเป็กลุ่มแล้วก็มาเชิญ อ, อาจารย์ไปหรืออะไรคานองเนี้ยค่ะ ก็อลองมาที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก็ได้ครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ติด เ, เบอร์ภาควิชาครับศ2 8 8 9สองแปดแปดเก้าสองหนึ่งสามแปดนะครั บ, 2, 89, 2, 8, รบแล้วก็ต่อห5ห้านหนึ่งนะครับทีนะครับศ2 8 89, 2, 8 9สองแปดแปดเก้าสองหนึ่งสามแปดต่อหกห้านหนึ่งถ้ามีอะไรให้ผมช่วยแบบว่าอยากให้การไปเชิญธนาเครื่อง น, น้นเครื่อง น, นี้นะครับก็ลองมาคุยกันครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่า ผมสามารถเขียนทุนหาอะไรทุนได้ก็ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านด้วยนะครับคดีครับอืมค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วแล้วก็อาจารย์จะเริ่มคลิกออฟเวอร์ชั้นสองเมื่อไหร่ยัไยงไงคะหรือว่าตอนนี้เริ่มแล้วเอ่อตอนนี้พึ่งเพิ่งเริ่มได้เด็กมาสามคนครับก็คลิกออฟตรงนี้จะเริ่มก็ประมาณสักอีกสามสัปดาห์ครับจะไปที่เ อ, อทางเจ้าปากกระพงที่เขาว่าเนี่ยครับเพราะเขาเขาอยากทําเครื่องต้อน อ, อาหารเนะรี่ยก็อยาให้เขามาดูสถานที่จริงแล้วเรอเก็บดีเทลว่า เราจะพัฒนายังไงนะครับเพราะเรื่องความชี่ยวชาญในการรีสเนี่ยเราต้องปรึกษาเขาด้วยนะครับว่าเขาต้องการขึ้นจากหรือระบบอัตโมติแบบไหนอันเนี้แเราก็มาพัฒนาไม่ใช่ว่าคิดเองเองเราก็องดูว่าลูกค้าหรือคนที่เอาไปใช้เนี่ยเขาเขาต้องการโจทย์แบบนี้ต้องการให้แก้ปัญหาแบบนี้ก็อยู่สักพักไปประมาณไม่เกินสามสามสัปดาห์เนี่ยครับอือค่ะแล้วตอนนี้มีความขัดเหลืออะไรไหมคะหรือว่าอยากต้องการ ด้านไห น, น, นหว่าหน่วยงานไห น, น, นมามดูไหมคะอาจารย์ยังขาดทุนนะเพราะว่าจริงๆตรง น, นี้ผมก็ต้อง <ừ> เขียนพอพอพอเด็กไปดูโจทย์ปุ๊บเนี่ยก็คงจะมาแบบเดียวก็เขียนโพกซ์ไปขอในเขตเขายี่หนึงแต่คุณมันไม่ไม่ได้เยอะะครับทีงนี้ถ้าถ้ามีหน่วยงานที่สนใจอยากจะให้ทุนสนับสนุนน้องๆนี่ครับเป็นทุนวิจัยค่าของค่าเดินทางเลยครับก็เราก็ดีมากครับเพราะว่าเราก็ทำแล้วก็คือถึงจะใับเกษตรกรไปนะครับ ออื mm hmm. ค่ะถ้าใครสในใจก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ในเรื่องของการให้ทุนวิจัยซึ่งอาจารย์จะพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับปลากรชาอาชิเนยะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสองคุณสมบัติของเวอร์ชั่นสองขออนุ ญ, ญาตให้อาจารย์บอกอีกทีได้ไหมคะว่ามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็คือจะวัดคุณภาพน้ำคุณภาพน้าในการเลี้ยงปลาเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นวัดความเ อ, อเป็นเป็นด่างที่เหมาะสำหรับปลาวัดความขื่น นะครับวัดระดับน้ําว่าตื้นลึกยังไงนะครับและอาจจะวัดความเข็มด้วยในกรณีที่เป็นน้ําก่อยส่วนที่เติมเต็มก็คือจะมีเครื่องให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลาอัตโนมัติแล้วก็มีกล้องดีเทคนะครับว่าเอ่อปลาเป็นเ็ตแทนมาดูว่าเออ wifi นะครับมันดูส่งมาให้สมือถือคือทั้งหมดมันจะส่งออาไปพาร์เป็นมือถือหมดเลยดัตต์ต่างๆก็เก็บเลตขอดที่ข่าวนะครับเราเข้าไปดูได้ว่า หนึ่เดือนที่เลี้ยงที่แล้เราเลี้ยงว่เป็นยังไงระพ่าน้าเป็นยังไงนะครับทุกอย่าง ก, ก็เก็บดัตต้าหมด อ, อันนี้คือส่วนที่จะสร้างนาเพิ่มครับค่ะเราจะหากว่าใครที่มีความสนใจจะร่วมพัฒนาหรือว่าต้องการให้ทุนนะคะหรือว่าต้องการที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาวิรัยรัฐที่คณะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์เปาไรมหิดลได้นะคะ ครัค่ ะ, คะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะกับกระชังปลาอัจฉริยะสามารถแก้ปัญหาประมงน้ําำสึได้นะคะจะบอกรายละเอเียดตา่างๆหรือว่าจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมก็จะขออนุญาตติดตามผลงานอาจารย์รวมถึงขอเป็นกําลังใจให้และก็ขอเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารผลงานของอาจารย์ผ่านไปยังคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวิรัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวการมค้าค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะครับขอบคุณนะครับและในวันนี้คับค่ะเวัสลยค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันคุณกิรณ์ทองนอพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาเดรรับก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life